สิกขาบทวิพังห้าร้อ6 8ที่ชื่อว่ารองนั่งพระองค์ตรัสมุ่งเอาผ้ามีชัยที่ชื่อว่าสันถัดได้แก่ผ้ารองนั่งที่หล่อไม่ใช่ทอคำว่าผู้ใช้ให้ทำคือทำเองหรือใช้ให้ทำที่ชื่อว่าสันถัดเก่าคือที่ใช้ปูนั่งบ้างใช้ปูนอนบ้างแม้คราวเดียวคำว่าเพึงเอาสันถัดเก่าหนึ่งคืบสุขคตโดยรอบมาปนเพื่อทาให้เสียสีคือ เป็นรูปทรงกลมหรือรูปสี่เหลี่ยมแล้วจึงราดในส่วนหนึ่งหรือสางออกแล้วจึงลาดเพื่อความคงทนคําว่าถ้าไม่เอาสันทัดเก่าหนึ่งคืบสุขศโดยรอบมาปนความว่าไม่ถือเอาสันทัดเก่าหนึ่งคลืบสุขศโดยรอบทําเองหรือใช้ผู้อื่นทำสันทัดรองนั่งใหม่ต้องอบัตรทุกกฎเพราะพยายามสันทัดเป็นนิสสกีเพราะได้มาคือเป็นของจําต้องสละแก่สง์แก่คณะหรือแก่บุคคล ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงสละสันทัดที่เป็นนิสกีอย่างนี้